พระวชาที่แรกหมายถึงผู้ปกครองผู้ปกครองนั่นจะต้องคอยสอดส่องดูแลพระพที่บวชเนร์ที่บวชเมื่อบวชแล้วต้องคอยดูแลเอาใจใส่และพระเนร์ที่บวชเข้ามาแล้วต้องมีผู้ปกครอง ที่เราเรียกกันว่าอาจารย์ผู้ปกครองคำว่าอาจารย์ผู้ปกครองนั้นในทางวินัยของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระบัชาแต่เดิมเรื่องยังยาวไปอีกแต่ว่าจะมาขอพูดในเห็นข้าวเท่านี้ก่อนว่าว่าวินัยเกิดช่วงนี้เกิดช่วงนี้แหละทรงบัญญัติแล้ ว, ว่า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 คำว่าเดี๋ยวจะฟังเดี๋ยวจะเข้าใจผิดนะคำว่าวิเยบิดกเกิดขึ้นหลังจากพระพุทธเจ้าปริมิพานแล้วสามเดือนโดยอาศัยวิเนทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงนั่นแหละมารวมเรียกว่าวิเนยบิดกวิันที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัตินั้น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 น้อยแม่จะมีลงข่าวหนังสือพิมพ์ว่าพระมีการฆ่ากันตายอะไรกันตายหนึ่งโยมสังเกต ด, ดูเถอะว่ากี่ปีนะ่ะถึงจะได้ยินสักทีนานหรือพระไปฆ่าคนเนี่ยนานๆ า, า, านถึงจะได้ยินสักทีหนึ่งเดี๋ยวนี้ยังได้ยินอาจจะวัดทีขึ้นมาบ้างแต่ก็นาน ถ้าเทียบกับทางโยมนะก็ยิ่งนานใหญ่เลยเชียวแล้วว่าทางโยมน่ยประจำวันเนี่ยคนมากกว่าคนมากกว่ากันแล้วก็มีเรื่องที่จะเป็นเหตุให้เป็นอย่างนั้นมากกว่าพระภิกษุที่จะล่วงละเมิดสิกขาบทใหญ่มีน้อย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 ทานเป็นอาหารก็ได้เป็นของหวานก็ได้เป็นของข้าวก็ได้แต่ต้องมูนมูนให้มันขึ้นมันขึ้นข้าวเหนียวนึ่งแล้วเหมือนกับสิกาบทใหญ่เอามามูนใช้น้ากะทิมูนขึ้นเหมือนสิขาบทน้อยมาแต่ง คนเห็นข้าวเหนียวกเออเข้าวเหนียวเนี่ยยังไม่ทันทานเลยแม้มันนะน่าทานมันน่าทานนั้นก็ยังไม่ไม่พอต้องมีวิธีอีกทํำยังไงเขาต้องมีมันขึ้นไปอีกคํานึงว่าแม้มันย่องเลยเชย่องไม่ทราบยังไงแต่เขาพูดกันยังไงนี่แหมข้าวเหนียวนีมันย่องเชีไม่ใช่มันเฉยเฉยมันย่องอาตมาก็ไม่ทราบว่ามันยังไง แต่แสดงว่าไม่ใช่มันธรรมดาเลยไปอีกคำว่าย่องนะ่ะคือดีเหลือเกินข้าวเหนียวนั่นนะ่ะมูนดีเหลือเกินมันย่องเนีย่ยนี่เปรียบเรื่องอาหารเปรียบกับเหมือนกับอาหารเหมือนกันข้าวเหนียวข้อปฏิบัติของพระเนนที่เป็นศิขาบทเล็กน้อยอย่างนั้นนะเล็กน้อยก็จริงแต่ว่างามงาม นามเือเกิดมีตัวอย่างแล้วก็ได้พูดมาทุกๆปีนะท่านพระอัศสชิท่านเดินออกไปบินทบาดในเมืองราชศึกเดินไปถ้าจะพูดอีกทีเ็าเดินแบบนักกรรมฐานนะ่ะนักกรรมฐาน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 เคยเห็นมามากในเมืองราชเกื้มีบ่อยเพราะว่าในเมืองราชคกื้นี่เป็นที่รวมของพวกนักศิทีไพรยเยอะไม่เคยเห็นอย่างนี้เอทําไมพระทําไมนักบวชคนนี้นะ่ะองนี้นะ่ะงามเหลือเกินท่านเดินก็แล้วดูงามงาม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 เอเป็นนักบวชแน่น่ะถ้าบวชกับใครทุกคนก็ตอบได้บวชกับพุทธเจ้าเอ้พระพุทธเจ้าคือใครแตนก็บอกอยู่ที่ไหนอยู่โน้นบอกให้ทราบอยากจะรู้า พระพุทธเจ้าที่เป็นครูเป็นอาจารย์ของท่านสอนอย่างไรนะท่านจึงดีเหลือเกินงดงามเหลือเกินแจ่มใสเหลือเกินท่านสอนอยังไงเทศสั้นๆเขียนหนังสือจะนับตัวไม่กี่ตัวเยธรรมาเอตุปภวาเตสังเหตุตุทากะโต ถามท่านอาจารย์ชยมังคโลท่านอาจารย์เสริมชัยนี่อธิบายได้อัตจจมาไม่ต้องแปลและเท่านี้แหละพูดสั้นๆเท่านี้เยธรรมมาเอตุปปภ า, าเตสังเอตุงตสาสะโตแต่ว่าท่านเข้าใจกันนะเพราะพูดแล้วเข้าใจและท่านบอกว่าท่านเพิ่งบวชใหม่สอนได้เท่านี้แหละ พระสารีบุตรบอกพอแล้วเท่านี้แหละพอแล้วพอเข้าใจแล้วเรื่องยาวไปยังไม่ต้องพูดถ้าพูดเรื่องนั้นในยาวก็ไม่ได้พูดเรื่องวินยัยอาตมาต้องการเน้นเรื่องวินยัยท่านพระสารีบุตรมีความเลื่อมใสเต็มที่เลยยอมมอบตัวเป็นสิ นี่แหละท่านทั้งหลายที่ได้มีสิทธิ์คนสําคัญเกิดขึ้นเป็นอักษรสาวกเบื้องขวาคือภาษาริบุตรนั่นเพราะอะไรเพราะความงามในเบื้องต้นของภาษาศาสนานั่นเองคนตาคมมองเห็นถ้าคนตาไม่คมมองไม่เห็นภาษาริบุตรท่านตาคม สังสมปัญญาบารมีสูงแรงร่ามมาข้ามพพข้ามชาติถึงชาติสุดท้ายแล้วพอเห็นพัพรู้ช่งนี่แปลกไม่เหมือนที่อื่นแล้วไม่เหมือนของเราโยมนะของเรา <c oughs> ที่ว่ามาเมื่อตะกี้เนะี่ยไปเห็นที่อินเดีย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 ถ้าไปท้ำกลางที่สุดจะทักแค่ไหนและทั้งสามประการนี้เกี่ยวเนื่องโยงถึงกันศีลเป็นบารฐานแหน่งสมาธิสมาธิเป็นบารฐานของปัญญาคือเป็นฐานราองรับกันไปเป็นขั้นเป็นขั้นดังนั้นพระวิ น, นัยนจึงเป็นพื้นเบื้องตน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 ตัวทัวไปนะโยมนางขมาที่นี่แล้วรับรองได้แหละเป็นนั้นว่าปลอดภัยละโยมทั่วทัวไปน่ะไปเห็นพระไม่อาบน้ําเข้าไปอีกแล้วองค์นี้พรรษาหนึ่งไม่ได้อาบน้ําเลยนะเก่งมากอืมไปเก่งที่ไม่อาบน้ำสามเดือนหลวงพ่อวัดบางน้ำบอกไหมว่าไม่อาบน้ำสามเดือนเก่งได้ธรรมกาย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 ก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้ก่อนจากกันอัตมาภาพขอนำเอาพุทธศาสนาสุภาษิต ท, ที่มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่15หน้าที่หนึ่งข้อที่หนึ่งความว่าอามะตันทโทจะโสโหติโยธรรมะโยธรรมะมนุษสาสติแปลความว่า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 make people